มุขี้เข้ามาก็ฟังเสียงหลวงตาพุนเทพไอหลวงตาพุนเทศเทศภูมิธรรมที่มันละเอียดนี่และแลีวกิจนั่นแหละแต่มันก็ละเอียดมัเป็นของละเอียดเหมือนหลวงปู่พุนเทศเมื่อเช้านี่พูดเรื่องในหลวงเราเนี่ยความเมตตาของพระองค์ติดคุกคนก็ยังเมตตาให้ออกอภยัยยโทษอีกแต่คนที่ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องก็ไปสร้างโทษอีกเพราะไม่เข้าใจโทษเหมือนกันกันกบธรรมที่ หลวงตาพนเทศเอาไว้มันละเอียดเราฟังแล้วดีมีความสุขเ อ, อิบอิ่มแต่เอาไปใช้ไม่เป็น เ, เพราะว่าเรายังไม่เข้าใจทางตรงนั้น เ, เหมือนกันหาเงินบางคนนี่หาไม่เป็นหรือบางทีก็ไปป้นไปจี้เขาเก็ได้งามเหมือนกันแต่มันเป็นโทษนี่เหมือนกันหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์สอนเอาไว้แต่และองละองเห็นแล้วก็โอ้ พื่มใจอยู่นี่มาก็ไม่ใช่จะเป็นธรรมดีธรรมวิเศษอะไรแต่เป็นธรรมที่เห็นคุณค่าของศาสนาเห็นคุณค่าของพวกเราอย่างมูเช้านี่ใส่บาทเห็นแล้วก็เออผู้ที่ร้นผู้ที่มีหลวงปู่จวนพูนว่าผู้ให้คือผู้มีผู้ให้ คือผู้ดีผู้ให้คือผู้ประเสริฐไอ้คำว่าให้นี่มันหลายประเภทเหมือนกันกับเราเอาน้ำใส่แก้วนี่ใส่ลงไปเรื่อยๆมันเต็มเนี่ยมันล้นหัวใจเราก็เหมือนกันพอเราใส่มันไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆรักษาจิตในทานไปเรื่อยมันล้นเมื่อเช้านี่ล้นมหาศาลเนี่ยเพราะฉะนั้นเห็นแนละ้วมันปลื้มใจดีใจอบอุ่นใจ แล้วก็ตอบเจ้าของว่ามรรคผลก็ไม่ได้ไก่หรอกถ้ามีผู้ให้ถ้าองนั้นมึงก็อยา ก, กินเหมือนหมาก็แล้วกันด่าเจ้าของอย่างเงี้ยไมกินเหมือนหมาเป็นไงกินแล้วก็นอนกินแล้วก็ไม่รู้จักค่าไม่รู้จักประโยชน์ของสิ่งที่เขาให้มามันเป็นของสูงของวิเศษนะเพราะฉะนั้นเห็นแล้วก็มีความสุขความพอใจกับอืมญาติโยมผู้ที่อเดินทางผู้ที่ศึกษาธรรมผู้ที่มีความ ตั้งใจสูงเมื่อกี้นี้ก็ตั้งแล้วนะโมจะพูดไปเรื่อยๆจะไม่กล่าวคำว่านะโมตัสสะหรือบาลีอะไรออกมามีเหมือนกันแต่ไม่เอาอเอาคำต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ย, ยกขึ้นมาง่ายๆว่าคำง่ายๆฟังกันประจำะทำกันแต่ไม่ถึงหรือจะถึงก็ถือว่าเป็นของพิเศษที่เรียกว่านัตถี สันติบาลังสุขขังซึ่งแปลความว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแล้วจะมีสุขอันใดก็ตามมีข้าวมีของมีเงินมีทองมีสามีสวยรูปหลอมีเมียสวยก็ก็มีความสุขเหมือนกันแต่สุขมันก็คละขั้นตอนเพราะฉะนั้นสุขที่มันสงบมองหาตรงไหนทีนี้ถ้ามองอย่างในหลวงเราเนี่ยพ้นสงบ จะสงบทั้งข้างนอกข้างในอย่างท่าภาษาธรรมที่พุทธิยาวสอนก็เหมือนกันที่ครูบาอาจารย์เทศสันติประลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีกิ่งแล้วภายในภายนอกตรงเนี้ยเงียบสงัดหรือสงบแล้วป่าโรคความเป็นหนึ่งของกิจบริกรรม แต่ถ้าหากว่าเราฟังตั้งใจรับตาฟังความรู้มันถูกอัดความรู้มันกลับเปลี่ยนแปลงทำให้กิจตัวรู้เกิดขึ้นเพรา ะ, ะนั้นเรามาเรามามาด้วยความรู้มาเกิดก็เอาตัวรู้มาส่วนสังขารเนี่ยมาเอาข้างหน้ากิจนี่เป็นตัวเดิมอยู่แล้วล่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสงบภายในเห็นได้ชัดาศาสนาพุทธเรา คือพ้อนสอนไม่ให้ลบล้างไม่ให้ฆ่าฟันไม่ให้ทำลายอย่างบ้านอื่นเมืองอื่นมันไม่สงบะจะเอาบ้านเอาเมืองจะลบลาฆ่าฟันกนันี่เห็นไม่ความสงบมันไม่มีใครใน อ, อย่างคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยพ้นพ้นให้สงบภายในพูดง่ายๆ อ, อย่างยงผู้ชายเนี่ยเมียด่ามาปุ๊บ ก็ถือว่าเมียให้พรนะคนที่จะว่าก็คือเมียเราคนที่จะด่าก็คือเมียเราเรารับได้นี่เรียกว่าสงบแต่ถ้าโหมึงเอากูเหรอกูเป็นผัวมึงนะมึงไม่กลัวกูอายเหรออาจกันขึ้นมาไม่สงบนะอย่างเงี้ยเพราะนั้นคําคว่าสันติเราจงระ ง, งับไว้ทำไมจึงจะเรียกว่าระ ง, งับเพราะปัญญาเรามีมีอยู่สามกฎสติสมาธิปัญญาปดให้มันถูก ถ้าเรากดสามประเภทไม่ได้เราจะไม่ได้ไปสู่สวรรค์นิพพานได้นะ mm hmm. เพราะนบุตรเจ้าตั้งให้เราแค่สามกดนี่แหละสติค mm hmm. ือระลึกไว้ระลึกรู้เอาตัวรู้เข้ามาแทรกอีกเหมือนได้กับเข็มถ้ามีแต่เข็มเย็บทั้งวันไม่ติดต้องเอาได้เข้ามาใส่สันใดความรู้คือปัญญานะ่ะต้องเอามาแยกแยะเพราะเราต้องการรู้ละหรือรู้ลักสามพิกี้ใช่ไหม ้องในหลวงนี่มองไม่มุมไหนละเอียดปานีตประเสริฐเพราะฉะนั้นเกิดอะไรทีนี้มันเกิดความสุขเกิดความร่มเย็นแม้ถ้าหากว่าเราไม่ได้พ้นทุกเราก็ยังมาใช้คติเดิมนิสสังใจ ย, ยังติมาใช้นิจใจเก่ามาใช้สมบัติเก่ามาใช้ความเคยชินนี่เพราะฉะนั้นสามกฎเนี่ยเราจะเห็นความสงบเราจะเห็นความ เป็นมนุษย์ได้อย่างเที่ยงแท้แล้วก็อย่างถูกต้องด้วยเมื่อมีจิตสงบมันจะได้เห็นสิ่งง่ายๆที่ครูอาจารย์เวนเทศแต่ละองค์ว่านว่าเรามาใช้ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมธาตุสี่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ใช้ธาตุสี่เมื่อเช้ากินข้าวเรื่องน้ำเรื่องอาหารทุกชนิดก็เขาเป็นธาตุแล้วก็บำรุงธาตุอยู่ตรงนี้โอมันเห็นชัดส่วนรู้ก็คือจิต ตรงนี้รู้ว่ามันเป็นธาตุจริงๆไม่วุ่นวายแล้วทีนี้ไม่เบียดเบียนแล้วทีนี้ไม่หลงแล้วทีนี้เพราะเราจะต้องรักษาธาตุเรื่องของกิตเราจะต้องให้มันรอบรู้แล้วก็ให้มันรู้รอบนี่ว่าเรียกว่าศาสนาสอนให้รู้ส อ, อนให้สงบ แต่ถ้าเราบำรุงแต่ตัวนี้อย่างคนรวยคนมีเขาบำรุงแต่ตัวนี้ไม่เคยรักษาชิ้นในทานเลยนะลุงปู่จวนว่าจากเศรษฐีก็เป็นเศรษฐุกมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นี้ลุงปู่เขาก็พูดเหมือนกันเอเคยเป็นกษัตริย์ลุงปู่เขาก็เคยเป็นกษัตริย์ทีนี้ดูมุมไหนเราคุยกันว่าในหลวงเราไปเยี่ยมหรือไปกราบลุงปู่เขากี่ทีจริงไหม นั่นแหละเพราะเพิ่นเป็นสหาชาติคําว่าชาติแต่ละชาติพเพิ่นเป็นกษัตริย์ไม่ใช่ว่าอยู่ๆพระมีในเมืองไทยดีกว่ามากกว่าในหลวงไปก็เพราะเพื่อนไม่เคยเป็นกษัตริย์มันเป็นอย่างนั้นเอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใช้ทุกวันเนี่ยเรื่องสติสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าเราเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันแล้วประเทศทั้งประเทศก็มีความร่มเย็น ไม่เบียดเบียนไม่ไม่ฆ่าไม่ทำลายกันเพราะฉะนั้นคำสอนสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตถ้าใช้ไม่เป็นเป็นยังไงติดคุกเนี่ยติดคุกทีนี้ถ้าถามว่าความละเอียดอ่อนคุกมันอยู่ที่ไหนคงไม่มีใครอยากเข้าแล้วคงคงไม่อยากเข้าแต่ลงตาได้เข้าคุกมาแล้วนะนั่งอยู่นี่แหละคุกทุกคนมีคุก คนพูดว่าอะไรเลือนจําเลือนล่างเรานี่เป็นเลือนจําแต่ถ้าเป็นเลือนละละ่ะทีนี้ก็อาศัยสติสมาธิปัญญาสามประเภทนี้ถึงจะออกจากคุกเหล่านี้คือไม่มีทิฏฐิไม่ใช้อัตตาตัวตนไม่ใช้ความหลงเมื่อรู้ว่าเราใช้ของประเภทนี้ยถ้าเราใช้ไม่เป็นมันติดคุกที่หลวงตาว่าเมื่อกี้ใช้ไม่เป็นส้นเสา คือจะเอาโทษเข้าหาตัวเองเอาโทษเข้าสู่ชีวิตนิสัยเรานี่เห็นด้ชาติชัดหลักศาสนาสอนไว้ละเอียดมากเลยเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสน า, าทุกองค์กระเทศอย่างนี้อยู่แล้วเมื่อพบเมื่อเห็นแล้วเพ้นสอนให้เข้าใจแล้วละถ้าเราเข้าใจในมมนี้แบบนี้แล้วมันก็เรียกว่าสันติพลังสุ ข, ขังมีความสุข ทุกชาติทุกภพไปเกิดชาติไหนยังสร้างบารมีอยู่ไม่ไปเกิดอยู่ใกล้ที่มีลูกปืนเยอะๆหรอกไม่ไปเกิดในที่ที่เขาวางระเบิดกันมากๆหรอกอ่ามันเป็นอย่างนั้นเรื่องาศาสนาก็เหมือนกันทุกาศาสนาก็สอนให้ทําดีแล้วไม่ได้แบ่งชั้นวันณะนะเอาอย่างลมอยู่นี่เหมือนกันนะเรานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะออกโยมคนนี้ออกออกจากโยมคนนี้ไปหาโยมคนนี้ ไม่ไม่บอกว่าเจ้านายไม่บอกว่าลูกน้องไม่บอกว่าผู้หญิงผู้ชายนารมเน่มันอาศัยกันได้เห็นไหมมันสันติไหมฟังฟังดูแล้วมันสันติไหมพ่อไม่มีสิทธิไงถ้าคนมีสิทธิก็ไม่อยากเข้ามาเออัดฟังได้อะไรนั่งรับตาเฉยๆกิงแล้วสิ่งเหล่านี้แหละเรากำลังประมวล เรือ่องของสติเรื่องของปัญญาให้มันเกิดให้มันมากขึ้นเราจึงจะได้รู้ได้เห็นเหมือนกินข้าวกินแตละคำละคำนี่นมันจะอิ่มเองมีคนหนึ่งไปถามลวงตาบอกว่าลวงตาขอถามหน่อยเออถามมาถามมากก็ถามถามน้อยก็ถามตอบได้ก็จะตอบเขาบอกว่าลวงตาไม่ได้ไปเมืองนอกเหมือนผมผมนี่ไปเรียนเมืองนอกจนจบด็อกเตอร์ไปหลายประเทศได้ความรู้เยอะะแต่ลวงตานี่ อยู่ที่นี่ไม่เคยไปไหนแล้วจะเอาความรู้มาจากไหนเออเขาถามมาอย่างนี้หลวงตาก็ตอบว่าเอ้าถ้าคนเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นตั้งอินเทอร์เน็ตขึ้นมาปั๊บไปเมืองนอกไหมถ้าเข้าอินเทอร์เน็ตได้ไปกี่ประเทศเออนี่ก็นั่งจะมาที่หลับตาอยู่อย่างเดียวนี่แหละแล้วมึงจะถามมาอะไรถามมาไหไมว่าด็อกเตอร์ก็ถามมาแต่กูไม่ใช่ด็อกเตอร์เต่กูก็ถามกูได้ตอบได้ เอาเดี๋ยวเออกนั้นเข้าใจกันเพราะฉะนั้นคําตอบนิสยัยจิตใจชาติพบอยู่ที่นี่มดุดนักบาตเขาจึงอ่านเป็นคํากรนออกมาว่ายามมาเราก็มาตั้งแต่ตัวมาก่อชั่วทำดีที่ในล่ายามจากแม้นมากโดยทรับย์หลากพอจากไปนําได้เพียงบาปบุญเพราะนั้นมีสองประเภทมีบาปกับบุญ เรามาตั้งแต่ตัวตัวใหญ่ตัวผู้ลูกคือจิตนั่นแหละส่วนตัวที่จิตจะอาศัยคือร่างกายอาศัยพ่อแม่ที่เอื้อเฟื้อเกื้ อ, ก, อกูลเราแบ่งกันแล้วก็มาห้เป็นตัวเป็นตนได้เอ่จะเรียกว่าบุญนั่นแหละเอ่แล้วพ่อแม่ก็ไม่มีอำนาจวาสนาที่จะมาจัดสรรให้เราสวยให้เรางามได้เมื่อเช้านี้เห็นเด็กตัวหนึ่งอ่าตัวนี้เดียวก็ถวายมากับแม่ เ, เห็นแล้วก็ดีใจเออบื่มใจนี่คือเขาลักกันแทเขาให้สมบัติกันแทถ้าลูกเกิดมากี่ชาติก็จะมาเป็นครูเป็นนักบาทเป็นผู้ฉลาดาได้เงินเดือนมาก็มาแบ่งปันพ่อแม่ใช้พ่อแม่ก็แบ่งปันลูกใช้เห็นไหมนี่คือผู้ที่ถือฐานะมาเกิดถือคุณความดีมาเกิด ไม่ใช่ดาชา่าเช้าด่าเย็นไม่ใช่ว่าไปติดยาบ้าเพราะฆ่าของมันมันไม่มีมีแต่โทษของมันเพราะฉะนั้นสันติเนี่ยเป็นเรื่องวิเศษจริงจริงนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ต้องการความสุขความร่มเย็นความเป็นสันติสุขก็ปฏิบัติง่ายง่ายเองถ้าตรงไหนมันไม่เหมาะมันไม่ควรเราก็เลือกหาศึกษา ทำให้มันดีขึ้นมาบางคนไปลูกไปยืนอยู่ด้วยยังเด็กอยู่เพราะมันอยากใส่บาตรมันขอว้ย <Why? S 1> อย่าเอาเหรอวะไม่ให้หลวงตาก็บอกว่าให้เขาใส่เถอะมาวันหน้ามันอาจจะมาเลี้ยงท่านเพราะท่านก็เลี้ยงมันเพราะศาสนาทั้งนั้นและจะหล่อหลอมไม่คนนั้นมีสมบัติได้ถ้าขาดศาสนาแล้วมีแต่วิบัติหมดมันเป็นโทษมันเป็นกรรมบ ยกตัวอย่างง่ายๆโยม<อ>ทุกคนอยู่ที่นี่คงได้ดูละครเรื่องที่จะพูดอ่าพูดในคนง่วงเงาเหานอนหายเฉยๆมังเหงามองอกมองแยกสงสัยเทศดีบ่ะอะไรสวัสดีค่ะถูกค่ะอยู่นั่นไง<อ>ดีค่ะ เ, <อา S 2> เคยเคยเคยได้ดูไอ้ละครเรื่องบ้านชายทองไหมเหรอ ไปได้ดูเนาะแล้วทำไมคุณชายแล้วทำไมเงยกันล่ะทำไมได้ไปเกิดอยู่เป็นลูกม้าเศรษฐีนี่เราไม่ได้สังเกตขาดความสังเกตเฉยๆความหมายก็คือเขาเป็นลูกเศรษฐีก็จริงพ่อแม่เขารักแต่รักตอนไหนรู้ไหมรักตอนที่ถึงเวลาลูกหิวก็ไปเรียกมากินถึงเวลาแม่จะไปวัดก็เรียกมันไปแต่มันไม่ได้ไปด้วยศรัทธาด้ มันไปด้วยความจำใจมันไปด้วยพ่อแม่ลากมันไปก็ใส่เหมือนกันลู่ท้าจะไปต่ำก็ไม่ได้จะไปสูงก็ไม่ได้ก็เอาไปไปสูงก็ได้เอาแต่ว่าเป็นง่อยเพราะคุณไม่สมบูรณ์เหมือนเงินคุณไม่พอจะสร้างบ้านไงที่เห็นได้ชัดๆไม่ใช่ลงตามาแปลงเอานะมีข้อให้ดีพระพุทธเจ้าตัดว่าคนเชื่อง่ายคือคนโง่มีข้อให้ดีๆมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลุงปู่พ้นกระเทศอยู่เมื่อเช้านี้ เกิดอยู่น้นตระกูลสูงจะทํำไม่ดีก็ไม่มีใครเคารพเพื่อนวะฟังแล้วน้าตาออกเนะี่ง่ายๆได้ละ่ะเพราะฉะนั้นเกิดอยู่ที่ต่ําเป็นชาวนาชาวไร่ปฏิบัติตนยนต์เป็นพระอาหารหันต์แล้วกระชากเพื่อนกรกรับน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมืองไทยเราเป็นเมืองวิเศษเอาเชื้อริ่งๆเลยเออพ่อแม่ก็วิเศษเ อ, อในหลวงก็วิเศษถ้าสมมติว่าในหลวงไปถือศาสนาอื่นและศาสนาพุทธนี่ยวยเลย จริงไหมฮานทีนี้ชาสนะพุทธลุ่งเรืองล่มเย็นก็บพ่อกรัตรเป็นล่มเงาให้กรัตรเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมและแข็งแรงทำให้ศาสนานี้ล่มเย็นไปได้ยิ่งโบแต่ละที่ละแห่งนี้ในหลวงเป็นผู้อนุมัติทั้งนั้นเพราะฉะนั้นล่มเงาของกษัตรแต่ล่มเงาของกรัตรจะหนักเพียงใดดีที่เสษเพียงใดก็ สู้ล่มเงาของพระพุทธเจ้าหรือของศาสนาไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นในหลวงเรานี่ถือศาสนาถือว่าเป็นเป็นเป็นสมบัติอันล้ำค่าของมนุษย์เราเพราะฉะนั้นควรจะต้องประทับตาประทับใจประทับแบบไหนที่มันจะไปอีกหลายชาติหลายภพก็อธิษฐานนะเกิดชาติไหนภพไหนขอให้เราจบนักบาตชาติเมธทีใจดีมีธรรมชักนําข้าพระเจ้าให้ถึงธรรม ให้ได้ผู้ปกครองเราก็คือในหลวงผู้วิเศษประเสริฐ ด, ดังที่เราเห็นอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าประทับตาประทับใจทำให้ชีวิตเรานั้นได้รับความสุขความร่มเย็นเพราะฉะนั้นถ้าใครมีลกูกมีหลานเน่พาใส่บาตรสร้างคุณงามความดีรักษาชีวิตนิสยัยเอาไว้อันนั้นแหละคนจึงจะเรียกว่าสมบัติของมนุษย์ให้มันเหลือให้มันล้นให้มันพ้นควา ม, มิบัติ ก็ไม่บัตรเราเห็นได้เยอะกินยาบ้าฆ่าเผาบ้านเผาเมืองก็เพราะความวิบัติที่ที่ไม่เคยพาลูกอ่ารักษาศีลรักษาอ่าความเป็นมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นเรามาตั้งแต่ตัวคือม า, อากินนี่แหละกินเรามายามมาเราก็มาตั้งแต่ตัวนะอ่ะาเพราะฉะนั้นจะมาก่อสิ่งไหนแบบไหนตรงนั้นแหละพยายามที่เราเอ่าจะช่วยสงเคราะห์รักลูกให้ถูกทางเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ารักเราเนี่ย มีเรียกว่าบุตโทจูจูโทกาลูามะฮั่นนาโวห่วงอยู่ทุกเวลาในคําสอนสุดท้ายอปปมาเดนะสัมปเดทาติวางเอาไว้ที่ไหนวางเอาไว้สําหรับคนที่ดีวางเอาไว้สําหรับคนที่รู้จักกัตัญญูกตะเวติตานั่นแหละมันเป็นสมบัติของพวกเรามันเป็นค่าของพวกเรามันเป็นสมมุตินิยมของพวกเราเพราะฉะนั้นเราก็ติดคุกอยู่ในตัวเนี้ย่ะจะเอาอยัางไงถึงจะออกจากตัวนี้ได้เพื่อนบอกว่า อย่าใช้อำนาจอัตตาจงใช้อำนาจเมตตาเห็นไหมในหลวงเราใช้อำนาจเมตตาตลอดเวลาถ้าอัตตาแล้วก็ยิงกันทั้งปีทั้งชาติเลยยิงกันทั้งประเทศเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นความเมตตานี่เป็นเป็นธรรมคำจุนโลกถ้าเรามีความเมตตาเ อ, อื้อเฟื้อเกือ้อกูลต่อกันแล้วถ้าล้นออกมาก็สงเคราะห์ผู้อื่นไปสงเคราะห์พ่อสงเคราะห์แม่สงเคราะห์สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ไปนี่น่ะผู้ที่ล้น ผู้ที่มีผู้ที่ดีผู้ที่ประเสริฐถ้าเราทำอย่างนี้ได้ปฏิบัติตนอย่างนี้ได้เราก็อย่าไปบ่นเลยว่าเมื่อไหร่จะพ้นมันค่อยเป็นค่อยไปของมันมันค่อยสร้างมันค่อยเต็มของมันเหมือนผลละไม้อาศัยเถาคนเราก็อศัยสติถ้ามีสติเนี่ยสติสมาธิปัญญานี้สามประเภทนี้แล้วเราไม่ตกต่าไม่อภัพไม่อับจนเป็นคนที่วิเศษทุกชาติทุกภพสมบูรณ์ด้วยกายวาจาใจจึงว่า อ่าเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาถือว่ามงคนชีวิตยอยู่ในตัวเรานี้รักษาให้ได้เมื่อกี้นีิยมบอกว่าให้เออ่ให้รับศีลไม่บอกวยจะรับทําไมก็เมื่อเช้าก็รับไปแล้วถ้าขืนมารับอีกหลงตาให้กระเท่ากับลงตาตาบอดเออคนที่มาขอกับตาบอดคนที่ให้กับตาบอดที่นี่ว่าตาบอดกับตาบอดจูงกันทั้งๆ ท, ท, ที่เห็นแล้วข้อหนึ่งข้อสองก็รู้อยู่แล้วถ้าเรารู้แล้วจะไปขอทำไมอีกเราอย่างโง่สิ เพราะฉะนั้นศาสนาสอนให้เราฉลาดให้รู้จักคิดเจตนาก็ได้เอ้อถ้าเรามาไม่ทันเขาข้อหนึ่งข้อสองหมายถึงอะไรความแข็งแรงมันอยู่แล้วเหมือนกันกันกบห้องเนี่ยแต่และคนละคนไม่ใช่อยู่ห้องเดียวกันนั่นอ่ะพอเลิกออกจากที่นี่ไปก็ห้องใครห้องมันข้อหนึ่งข้อสองสินข้ออะไรมันก็รู้ทางอยู่แล้วนี่ทําไมเพรว่าพอเดินไปเจอเพื่อนเฮ้ยห้องกูไปทางไหนวะมันจะไม่ฉลาดสิโอโงพี่นี้นะนะไหมเออเป็นอย่างนั้นอหลักการของมันเพราะฉะนั้น วันนี้ตั้งแต่ตัวตั้งแต่สติตั้งแต่ปัญญาไม่ต้องตั้งนโมขออนุโมทากับญาติโยมที่มี จ, จิตใจอันงดงามประเสริฐาหากว่าการฟังวันนี้ได้ความรู้ได้ความเห็นได้ความฉลาดก็เอาไปใช้เอาไปอแนะนําตัวเองและลูกหลานให้มันมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยชาติด้วยภพที่เราจะต้องเวียนว่ายเดินทางต่อไปเนี่ยเราจะต้องอาศัยอทรัพย์ไปด้วย หมายก็ว่าจะไปอเมริกาไปญี่ปุ่นก็ตามต้องมีทรัพย์มีเงินมีทองท่นใดก็มีนิสัยนิสังสยังตินิสัยเหล่านี้แหละจะฟอกจะขัดจะกำจัดทุกข์ให้พวกเราให้ได้เป็นมนุษย์พราะพระพุทธศาสนามีสติมีปัญญามีทรัพย์ภายนอกภายในมีลูกมีหลานมีพนักงานมีเพื่อนฝูงเพราะฉะนั้นจงรักกันเมตตากันเอื้อเฟื้อต่อกันเจ้านายก็รักลูกน้องลูกน้องก็รักเจ้านายแต่เจ้านายด่าลูกน้องไม่ดีด้วยวันหน้าก็ เปลี่ยนกันอีกเพราะฉะนั้นการเอื้อเฟื้อนับว่าเป็นเชื้อแห่งศาสนานับว่าเป็นเชื้อแห่งคุณความดีเพราะฉะนั้นถ้าเราชอบความดีก็ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ที่เราจะต้องปฏิบัติเอาหลวงตาขออนุโมทนาด้วยอํานาจกุศลผลบุญที่พวกเราได้สร้างกันมาหลวงตาได้สร้างเอาไว้แพรเมตตาให้ทุกท่านญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเกิดชาติไหนพบไหนขอให้พบนักบา่าชาติเมธีใจดีมีธรรมชักนําพวกเรานั้น จนได้สูงสูมักสู่ผลสู่นิพานอันเป็นเครื่องกเกษมสร์ที่บอกเราป้องกันรปราถนาด้วยกันทุกท่านเธิด